ให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตใฟธรรมได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆทางร่างกายเพื่อยุติการหาเงินหาทองหาปัจจัยสี่หาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้ เอาเวลามาให้กับการหาความสุขความเจริญทางจิตใจเพราะจิตใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกับร่างกายและมีความสำคัญเพราะมีคุณค่ามีประโยชน์กว่าร่างกายเป็นหลายเท่าด้วยกัน เพราะร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวอยู่ได้ไม่เกินร้อยปีก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้อยู่ต่อไปใจนี้เป็นผู้ที่จะต้องเดินทางต่อไปในภพหน้าชาติหน้า จะได้ไปเกิดในภพที่ดีหรือภพที่ไม่ดีก็อยู่ที่บุญหรือบาปที่ได้กระทำกันในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะนี้ถ้าทำบุญก็จะไปทิศทางที่ดีไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปสู่พระนิพพานถ้าทำบาปก็จะไปในไปอบาย ไปเกิดในที่ไม่ดีที่มีแต่ความทุกข์ยากลำบากต่างๆการให้เวลากับการมาสร้างบุญสร้างบารมีให้กับจิตใจจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสาคัญยิ่งกว่าการเลี้ยงดูร่างกายยิ่งกว่าการ ult, หาความสุขหาลาภยศสรรเสริญทางร่างกายเพราะ ลาบยศสรรเสิญสุขทางร่างกายที่หามาได้นี้ก็จะเป็นของชั่วคราวพอร่างกายนี้ตายไปแล้วใจจะไม่สามารถเอาราบยศสรรเสิญสุขที่หามาได้นี้ติดไปกับใจเลยจะกลายเป็นสมบัติของผู้ไปหมดมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่เวลาจะเวลาตายจากโลกนี้ไป ทัพยสมบัติเหล่านี้ก็กลายเป็นของผู้ที่อยู่ในโลกนี้ต่อไปดังนั้นไม่ควรที่จะให้เวลามากกว่าการหาความสุขทางร่างกายมากกว่าการหาความสุขความจเจริญทางด้านจิตใจเพราะจิตใจนี้ยังจะต้องเดินทางต่อไป จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เดินทางไปถึงกันนั่นก็คือพระนิพพานแดนบร ม, มสุขแดนที่ไม่มีการเดินทางอีกต่อไปไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่อยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดไม่มีวันเสิ้นสุด จะไปถึงแดนนิพพานนี้ได้ก็ต้องอยู่ที่การมาสร้างบุญบา ร, รมีในขณะที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ศรัทธายาโยมพุทธบ ร, ริษัทให้มีวันพระวนันวันสร้างบุญบา ร, รมีกันอย่างน้อย <c oughs> เริ่มต้นด้วยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อน <c oughs> ถ, ถ้าทําแล้ว ได้สัมผัสกับความสุขความเจริญของการสร้างบุญบรารมีก็จะทำให้เกิดมีฉันทะวิริยะคือมีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับถ้าไม่มีวันพระเลยนี้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะสร้างฉันทะวิริยะคือความยินดีในรถแห่งธรรมได้เลย เพราะการที่จะทำให้เกิดลถแห่งธรรมลถอันประเสริฐที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้จำเป็นจะต้องมีเวลามากพอสมควรอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนควรจะให้เวลาทั้งหมดนี้ไปกับการศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาไปปฏิบัติ เมื่อได้ปฏิบัติแล้วผลที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความประทับใจในธรรมในลถแห่งธรรมเพราะลถแห่งธรรมนี้ชนะลถทั้งปวงลถแห่งธรรมนี้จะชนะลถของความสุขที่เราได้จากราบยศสรรเสริญ จากการเสพรูปเสียงกลิ่ลรสโพฏะชนิดต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีวันพระไม่มีวันที่เราให้เวลากับการศึกษากับการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องโอกาสที่เราจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมจะไม่มีจะมีน้อยมากจะทำให้เราไม่ได้มีศรัทธามากพอ ที่อยากจะเพิ่มการศึกษาเพิ่มการปฏิบัติให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับดังนั้นวันพระจึงเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธเราเป็นวันที่เราจะได้มาฟังเทศฟังธรรมเราเรียนรู้วิธีพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นไปตามลำดับ จนถึงขั้นสูงสุดและสิ่งที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ก็คือการสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆนี่อง <c oughs> บุญบา ร, รมีนี่แหละที่เป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จออกบวช <c oughs> หลังจากที่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายและเห็นนักบวชก็เกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในการเกิดแก่เจ็บตายจึยงเห็นเห็นทางออกว่าจะต้องไปในทางของนักบวชเท่านั้นจึงได้สละราชสมบัติและออกบวชได้ศึกษาได้ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ต่างๆ แล้วจนในที่สุดเมื่อครูบาอาจารย์ต่างๆไม่สามารถสอนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างได้อย่างเต็มที่ก็เลยต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองโดยอาศัยอำนาจของบา ร, รมีที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาในอดีตเป็นผู้ผลักดันให้มีดวงตาเห็นธรรม ได้เห็นอริยสัจสี่สเห็นใยรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ทำให้จิตสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้าไม่ได้บำเพ็ญบุญบา ร, รมีต่างๆมาในอดีตชาติเนเจ้าชายสิทธัตถานี้ก็จะไม่มีทางที่จะสามารถเ อ, อ, อกปฏิบัติธรรมและบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เลย นี่คือประโยชน์ของการสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆเพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเรานั้นในแต่ละภพแต่ละชาตไไไิไม่ได้หมายความว่าเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ทุกภพทุกชาติแล้วมาพบกับพระพุทธศาสนา<ม>ถ้าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แลได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนา<ม>ก็จะเป็นบุญเป็นกุศล เป็นโชค ว, วาสนาอันยิ่งใหญ่เพราะแทนที่เราจะต้องอาศัยบุญบา ร, รมีที่เราต้องสร้างกันเป็นหลายภพหลายชาติถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาการสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆก็จะไม่จาเป็นเพียงแต่อาศัยคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอรหันตสาวกคดีสอนให้รู้จักวิธีปฏิบัติรมที่ถูกต้อง ก็สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ในภพนิชาตินี้เลยแต่เนื่องจากว่าการยืนยันตายเกิดของเรานี้เป็นของที่ไม่แน่นอนจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งนี้ครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเกิดเมื่อไหร่และการกลับมาเกิดคราวหน้าอาจจะไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกก็ได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่มีคนนาทาง เมื่อไม่มีคนนำทางก็ยังเป็นจะต้องอาศัยบุญบา ร, รมีต่างๆที่ได้สะสมมาไว้เป็นผู้นำทางต่อไปถึงแม้ว่าจะชา้าจะนานกว่าการที่ได้มาเจอพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นาทางแต่อย่างน้อยบุญบา ร, รมีที่ได้สะสมไว้ในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ก็จะคอยผลักดันให้ไปในทิศทาง ที่จะพาให้ได้ไปถึงพะนิพานได้แต่อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองแต่ก็จะได้ไปถึงพะ น, พนิพานได้เช่นเดียวกันถ้าเราฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยบุญบารมีต่างๆอยู่เรื่อยๆให้ติดเป็นนิสัยไปให้ได้ พอมาติดเป็นนิสัยแล้วทุกรพทุกชาติที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะมาสะสมบารมีเพิ่มขึ้นไปตามลาดับถ้าเราไม่สะสมบุญบารมีให้ติดเป็นนิสัยไปเวลาที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็อาจจะไม่ได้มาสะสมบุญบารมีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นนิสัยถ้าเป็นนิสัยแล้วมันจะคอยผลักดันให้ทาอยู่เรื่อย เรามีนิสัยชอบทำอะไรเรามักจกะทำอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีนิสัยเราก็จะไม่ทำถ้าไม่มีนิสัยเราก็ต้องอาศัยคนที่เขามีนิสัยในทางบุญบารมีคอยสอนคอยชวนคอยดึงเราไปอย่างนั้นก็จะทำให้ช้ามากเสียเวลามากกว่าจะได้ไปถึงพระนิพพานได แต่ถ้าเราเหมั่นฝึกฝนจิตใจของเราให้สะสมให้กระทาบุญบรารมีต่างๆให้เป็นนิสัยเช่นพยายามฝึกฝนให้ทำทุกวันมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เวลาเช่นวันพระนี้เรามีเวลามากเราก็จะมาสะสมบุญบรารมีกันได้มากขึ้นแต่ในวันอื่นที่เราต้องไปทำมาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงทองหาความสุขจากราบยศเราเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดผลธรรมะเราก็อาจจะมีเวลาน้อยแต่ก็ยังมีโอกาสที่ได้สะสมบา ร, รมีต่างๆได้เพราะบา ร, รมีบางอย่างนี้สามารถสะสมทาได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันพระหรือไม่ใช่เป็นวันพระก็ต่างดังนั้นเรามาศึกษามาเรียนรู้วิธีว่าบุญบา ร, รมีที่พรเจ้าได้ทรงใช้เป็นเครื่อง ศักดันเป็นเครื่องนำทางไปสู่พระนิพพานนั้นมีอะไรบ้างแล้วเรามาพยายามสร้างบุญบา ร, รมีเหล่านี้กันให้มันติดเป็นนิสัยของพวกเราเผื่อว่าถ้าภพนี้ชาตินี้เรายังไม่ได้หลุดพน้นไม่ได้บรรลุไปถึงพระนิพพานเราก็จะได้อาศัยบุญบา ร, รมีต่างๆที่เราได้มาสะสมกันให้เป็นนิสัยนี้เป็นผู้ดึงเราไปพาเราไปต่อไปได้ บุญบารมีนั่นก็มีอยู่ส0บข้อด้วยกัน mm hmm. ข้อที่หนึ่งบารมีที่เราต้องสร้างข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบารมีเมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื mm ่น hmm. ไม่คิดร้ายต่อผู้อื mm ่น hmm. คิดแต่ให้ความสุขคิดแต่ให้ความช่วยเหลือต่อผู้ mm hmm. เรียกว่าเมตตาบารมี mm hmm. ข้อที่สองก็คือทานบารมี mm hmm. ทานบารมีก็คือการให้สิ่งข้าวของเงินทองต่างๆหรือประโยชน์สุขต่างๆที่เรามีอยู่ที่เราไม่เดือดร้อนถ้าเราให้ไปที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่มีมากกว่าที่เราจะใช้ได้ในภพนี้ชาตินี้เราก็เอาไปแจกเป็นทานกันเรียกว่าทานบารมี บารมีข้อที่สามก็คือศีลบารมีคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการไม่ทําบาป mm hmm. การรักษาศีล mm hmm. การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติประเพณีพูดปดแล้วก็ดื่มสุรายาเมาและของมึนเมาต่างๆอันนี้เป็นการทําให้เราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วข้อที่ ข้อที่สี่เมตตาทานศีลข้อที่สี่ก็คือเนคขมมะบารมีคือการระ ง, งับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายราการเสพกางเรียกว่าเนคขมมะบารมีเช่นการมาบวชถือศีลแปดกันหรือบวชเป็นพระบวชเป็นเนร์กันบวชเป็นชีกันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญเนคขมมะบารมี เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการเสพรู้เสียงกิ่ลดไปสู่การเสพความสงบที่เกิดจากการบาเพ็ญจิตตภาวนาจเจริญสตินั่งสมาธินั่นเองเพื่อให้ได้บารมีข้อที่หก็คืออุเบขาบารมีอุเบขาบารมีก็คือการทำใจให้นิ่งสงบให้เป็นกลางให้ปราศจากความรักชังกลัวหลง ให้ปล่อยวางให้นิ่งเฉยต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบกับจิตใจแล้วก็ข้อที่หกบารมีข้อที่หกก็คือปัญญาคือความรู้ความฉลาดรู้ความรู้ความจริงของโลกว่ามีอะไรบ้างเช่นรู้ว่าโลกนี้เป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีเกิด ม, มีดับ และเมื่อเกิดมีเกิดมีดับถ้าอยากจะไปให้เขาไม่ไม่ดับเวลาเกิดแล้วไม่ดับก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้<ม>เขาไม่ใช่เป็นของเราไม่อยู่ภายใต้ใต้อำนาจของเราเขาเป็นอนัตตา<ม>เขาไม่มีตัวต น, <ม>นนี่คือปัญญาบารมีและการที่จะสร้างบารมีต่างๆเหล่านี้ได้ต้องมี บารมีที่สนับสนุนในการสร้างบารมีเหล่านี้<ม>บารมีที่จะใช้ในการสนับสนุนการสร้างบารมีต่างๆก็คืออธิษฐานบารมีมนี่คือข้อที่เจเราต้องมีความตั้งใจตั้งเป้าหมายของการกระทําของเราว่าเราเกิดม า, านี่เกิดมาเพื่อทําอะไร<ม>ถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีต่างๆ<ม>เราจะได้รู้จัก รู้เป้าหมายของการดำเนินชีวิตของเราว่าเราต้องทำอะไรกัน mm hmm. เมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วการที่เราจะสามารถทำตามที่เราตั้งเป้าหมายได้เราก็ต้องมีสัจจะบารมี mm hmm. สัจจะก็คือความจริงใจ mm hmm. แน่วแน่มั่นคงต่อความตั้งใจตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ไ ม, ไม่ไม่เปลี่ยนใจ mm hmm. เรียกว่าสัจจะถ้าไม่มีสัจจะ เวลาตั้งใจจะทำอะไรพอถึงเวลาขึ้นมาก็เปลี่ยนใจได้เช่นวันนี้วันพระบางคนบอกวันนี้จะเลิกกินเหล้าวันจะหยุดกินเหล้าแต่พอตกเย็ยนเพื่อนฝูงมาเยี่ยมเยิยนมาชวนเอาเหล้ามาเลี้ยงความตั้งใจก็อาจจะเปลี่ยนได้ถ้าไม่มีสัจจะแต่ถ้ามีสัจจะแล้วก็จะไม่เปลี่ยนใจก็ต้องปฏิเสธเพื่อนฝูงไปว่าเสียใจด้วย วันนี้ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วว่าจะไม่ดื่มสุรายาเมาแล้วบา ร, รมีอีกข้อนึงที่สนับสนุนการสร้างบา ร, รมีก็คือวิริยะบา ร, รมีคนจะสร้างบา ร, รมีได้มากต้องอาศัยวิริยะบา ร, รมีคือความขยันหมั่นเพียรถ้าเป็นความเกียจค้านมีความเกียจค้านี่ก็จะสร้างได้น้อยหรือสร้างไม่ได้เลยแต่ถ้ามีความขยันหมั่นเพียร ก็จะสร้างบารบามีต่างๆได้มากได้เร็วและข้อสุดท้ายการสร้างบารมีนี้ก็เป็นเหมือนกับการปีนภูเขามันยากมันลำบากถ้าไม่มีขันติบารมี <Okay. S 2> คือความอดทนนีก็จะไม่สามารถสร้างบารมีต่างๆได้เพราะจะมักจะเจอมามาขวางอยู่เรื่อยๆจะลดน้าหนักก็พอดีเพื่อนมาชวนไปกินข้าว <Okay. S 2> ไปงานเลี้ยงขึ้นมา ก็มะมีมารมาผจญนะถ้าไม่มีขันติความอดทนปฏิเสธเพื่อนฝูงไปก็ต้องอ่อนเนาะอ่อนอ่อนตามเขาไปเขาชวนมาวันเกิดเลี้ยงวันเกิดไปเลี้ยงฉลองกันหน่อยไปกินเงินหน่อยแต่ตั้งใจว่าจะลดจะอดอาหารจะอดข้าวเย็นเพื่อจะได้ลดน้ําหนักน้าหนักมันเกินมันจะมีโรคภัยไข้เจ็บเวียดเบียน ถ้าไม่มีความอดทนต่อความย่อยวนควรใจต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะรักษาความตั้งใจศจจะอธิษฐานของตนได้ น, นี้คือบารมีต่างๆสิบประการด้วยกันที่พระเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทศัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มีใจใฝ่ธรรมได้หมั่นสร้างกันไปถ้าไม่สามารถที่จะ บรรลุธรรมหลุดพ้นจากกองทุกบรรลุถึงพระนิพพานได้ในภพนี้ชาตินี้ก็ให้หมั่นสร้างบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆเช่นบา ร, รมีข้อที่หนึ่งคือเมตตาบา ร, รมีนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวันพระหรือวันธรรมดาเมตตานี้ก็มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกันคือหนึ่ง อาเวลาหนตุสัตเพสัตตาอาเวลาหนตุแต่ว่าเราจะไม่จองเวรจองกรรมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง <S S S S ใครมาทำร้ายเราใครมาทำให้เราโกรธใครมาทำให้เราเสียใจ <S S S S S เราจะไม่ล้างแค้นอาฆาตพยาบาท <S S 1> เราจะให้อภัยเขาไป <S S นี่คือลักษณะของการมีความเมตตา <S S 1> ให้อภัยไม่จองเวรกัน <S S ข้อที่สองอัปยาปชาหนตุ ไม่เบียดเบียนกันคือไม่ว่าเราจะทําอะไรเราจะพูดอะไรนี้จะไม่ไปทําให้พูดอื่เขาเสียหายเดือดร้อนเรียกว่าไม่เบียดเบียนกันเวลาเราจะพูดอะไรเราจะทําอะไรเราต้องดูว่าไปทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่ควรที่กระทาถ้าเราอยากจะมีความเมตตากับเขาข้อที่สามก็คือ อาีิคารโหนตุเอไม่ทําร้ายร่างกายและจิตใจของเขาเวลาเราโกรธหรือเวลาเราเสียใจบางครั้งเราก็นึกอยากที่จะไปทําร้ายเขาทําร้ายด้วยวาจาพูดให้เขาเสียใจบ้างหรือทําร้ายด้วยการทุบตีร่างกายเขา อ, อย่างนี้เราก็ต้อ ง, งระงับถ้าเรามีความเมตตาเราจะไม่ทาําร้ายผู้อื่นนั่นเองอและข้อที่สี่ของการมีความเมตตาก็คืออ ให้เรามีความสุขีอาตานังป ร, ริหราณตุะขอให้สัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความปรารถนาให้ผู้มีความสุขด้วยการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขเช่นช่วงนี้ใกล้จะถึงวันสิ้นปีวันปีใหม่เราก็มักจะส่งความสุขให้ต่อกันและกันที่เราเรียกว่าสอขอสอส่งความสุขอันนี้ก็เป็นการแสดงความเมตตาด้วยการให้ข้าวของ ส่งของขวัญไปให้ส่งขนมไปให้อะไรเป็นต้นเหล่านี้เรียกว่าเป็นการแสดงความเมตตาความเมตตานี้ต้องเกิดจากการกระทําการสวดบทแผ่เมตตาเช่นเรานิยมบุสวดกันเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิสวดเสร็จแล้วเราก็มักจะสวดบทแผ่เมตตากันขอให้เราเข้าใจว่าการสวดบทแผ่เมตตานี้ไม่ได้เป็นการแผ of c o m p เป็นการทบทวนเตือนสติเตือนใจให้เรารู้จักวิธีแผ่เมตตาว่าต้องแผ่อย่างไรบ้างไม่ได้ไม่ได้ปีการแผ่เมตตาการจะแผ่เมตตาได้ต้องเกิดจากการกระทำไม่ใช่เกิดจากการสวดการสวดนี่เป็นการศึกษาหรือเป็นการทบทวนวิธีการแผ่เมตตาหรือเป็นการใช้ใช้เป็นอารมณ์สำหรับฝึกจิตให้เข้าสู่ความสงบ แต่ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาไม่ได้ไม่ได้เป็นการให้เมตากับใครเพราะเวลาที่เราสวดเราไม่ได้ทำอะไรกับใคร mm. ถ้าอยากจะให้ความเมตตาเจริญเมตตาเราต้องเกิดจากการกระทาของเรา mm. เวลาใครเขาทำให้เราโกรธเราก็ให้อภยัยให้อภัยเขาไม่ทำไม่ทาร้ายเขาไม่จองเวรจองกรรม mm. เวลา เวลาเราทำอะไรก็ไม่ให้เขาไม่ให้พูดเขาเสียหายเดือดร้อนไม่พูดไม่กระทำร้ายร่างกายและจิตใจของเขาแล้วก็ถ้าเรามีอะไรเหลือกินเหลือใช้เราอยากให้คนอื่นเขามีความสุขเราก็ให้ทานไปเช่นญาติโยมมักฌินโยมเวลาไปทาบุญเวลาบุญใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นบุญกระถินบุญงานบวชหรือบุญอะไรก็ตาม ที่มีคนมาร่วมบุญกันเยอะๆก็มักจะเปิดลงทานกันก mm hmm. ารเปิดลงทานก็เป็นการแสดงความเมตตา mm hmm. แผนเมตตาด้วยการด้วยการกระทำ mm hmm. ถ้าเราสามารถเจริญเมตตาแผนเมตตาได้ mm hmm. เราจะสามารถได้รับอ น, นิสงส์ที่เกิดจากการแผนเมตตาหลายประการด้วยกัน mm hmm. อ น, นิสงส์หรือผลประโยชน์ที่จะได้จากการให้ความเมตตาต่อผู้อื่นก็คือ เราจะมีความสุขเราจะมีความสุขใจเวลาที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขที่เราให้แก่ผู้นั้นมันจะกลับมาหาเราจะทําให้เราอยู่เป็นสุขเดินก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายแล้วก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย <S S S S S S S S เทวดาจะคุ้มครองรักษาแล้วก็จะไม่ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษ โดจะไม่มีใครคิดที่จะทําทร้ายที่คิดที่จะฆ่าเราเพราะเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับใคร mm. ก็จะไม่มีใครคิดที่จะปองร้ายเรา mm. แล้วถ้าไปฝึกจิตไปฝึกสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายเพราะไม่มีนิวรณ์ความโกรธต่างๆข้างค้างอยู่ในใจ mm. แล้วถ้าถึงเวลาเวลาจะใกล้จะตายก็จะไม่หลง mm. จิตใจจะตั้งอยู่ในความสงบ mm. มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาตายไปถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆตามลำดับต่อไปอันนี้คือประโยชน์สุขของการสร้างบา ร, รมีข้อที่หนึ่งก็คือเมตตาบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีนี้เราจะได้ผลตั้งแต่เรายังไม่ตายเนย จิตใจเราจะมีความสุขทุกครั้งที่เราแผ่เมตตาให้กับคนนั้นให้กับคนนี้แล้วก็เวลาตายไปเมตตานี้ก็จะเป็นผู้ผลักดันให้เราได้ไปเกิดบุญสวรรค์ชั้นต่างๆต่อไปบา ร, รมีข้อที่สองที่เราควรจะสร้างกันและสามารถทำได้อยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเวลาก็คือทานบา ร, รมีนี่เองทานบา ร, รมีนี่ก็ต่อเนื่องจากการมีเมตตาบา ร, รมี เรามีเมตตามาเรามีเรามีความรักมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแล้วก็มักจะมีอะไรเราก็อยากจะทําบุญทําทานให้กับผู้อื่นเข้าไปถ้าเรามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้มากเกินไปเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้เราก็เอาเงินทองส่วนนี้มาแจกกันด้วยวิธีการต่าง ๆ, ๆเช่นช่วงนี้ก็มี ภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้ชาวไทยเราที่เป็นคนใจบุญสุนทานก็จะบริจาคทานกันมีข้าวของเงินทองก็บริจาคไปซื้ออาหารปัดเครื่องใช้สอยที่จาเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องยังชีพต่างๆส่งไปหรือไปเองก็ดีเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้เรียกว่าทานบาลณี การทำทานบารมีนี่ก็จะทำให้เรามีทรัพย์ภายในใจทรัพย์ภายในใจที่จะติดไปกับใจของเราทรัพย์ภายในใจก็คือบุญนี่เองคือความสุขใจอิ่มใจที่จะทำให้เวลาเราตายไปใจเราจะได้ไปสวรรค์กันไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆและเวลาที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่บุญบารมีที่เราได้ทำนี้ทานบารมีที่เราได้ทานี้มันก็จะทาให้เรากลับมาอยู่แบบมั่งคัง่ง อยู่แบบคนที่มีฐานะการเงินที่ดีเพราะว่าการทำทานนี่ก็เป็นเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารบุญนั่นเองพอเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็สามารถเบิกเงินจากธนาคารบุญมาใช้ได้มาเกิดมาเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยไม่ต้องดิน้นรนหาเงินหาทองให้เหน็ดเหนื่อยมีพ่อแม่ที่ร่ำรวยคอยหาให้เราใช้หรือถ้าไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ร่ารวย ยากจนกเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่ก็จะสามารถทำมาหากินที่จะทําให้ตัวเองนัํารวยขึ้นมาได้อย่างง่ายได้ <Yeah. S 2> นี่คืออา น, นิสงส์ของการให้ทานการสร้างทานบา ร, รมี <Yeah. S 2> อย่างที่พระเจ้าได้ส่งบํ <Yeah. S 2> าเพ็ญไว้ในขณะที่เป็นพรเวจสันดร <Yeah. S 2> พระเวชสันดร น, นี้ท่านก็อุทิศชีวิตของท่าน <Yeah. S 2> ด้วยการสร้างทานบา ร, รมี <Okay. S 2> มีทรัพย์สมบัติเข้าขอ ง, <Yeah. S 2> ของเงินทองมากน้อยเพียงไร ท่านก็ไม่เก็บเอาไว้เก็บไว้เช่าที่จําเป็นที่จะท่านต้องใช้เท่านั้นเองของนอกนอกอางนั้นแล้วถ้าใครเดือดร้อนใครอยากได้อะไรใครมาขอก็จะให้เขาไปด้วยความสุขใจไม่ได้ให้ด้วยความเสียดายไม่ได้ให้ด้วยความตนันใจไม่ได้ให้ด้วยความทุกข์ใจแต่ให้ด้วยความสุขใจทุกครั้งที่ได้ให้นี่คืออำนาจของทานบารมีะจะทําให้เรามีความสุขใจ อันนี้ก็เป็นบารมีข้อที่สองที่ต้องบําเพ็ญกันพอไม่ได้เป็นพระเวชสัดนดรก็บําเพ็ญทานบารมีพอตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ไปอยู่บนสวรรค์พอลงจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรออยู่เพียบมีประสาทสามร ด, ดูไว้ให้อยู่ตามฤ ด, ดูการต่างๆ มีว่มีบริษัทบริวารคอยรับใช้อย่างเต็มที่คอยคอยตอบสนองความต้องการทางความสุขทางตาขูงจมูกรื่นกายตลอดเวลานี่เป็นอำนาจของเบณนอิสงส์หรือเป็นอำนาจของทานบา ร, รมีที่ได้สร้างไว้แล้วเมื่อถึงเวลาที่จะสละราชสมบัติก็ไม่เสียดายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะเคยสละมาม า, มากแล้วเคยทำทานมาม า, มากแล้ว พอเมื่อถึงเวลาว่าเห็นเวลาจำเป็นที่จะต้องไปออกบวชนี้ก็สามารถไปบวชได้อย่างง่ายดายไม่เสียดายไม่ยึดไม่ติดกับข้าวของเงินทองต่างๆ mm. น, นี่คือบารมีทานบารมีข้อที่สามที่เราต้องสร้างกันก็คือศีลบารมีศีล mm. บารมีก็คือการไม่กระทำบาปนั่นเองการไม่เบียดเบียนผูด้ด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยการลักทรัพย์ด้วยการประพฤติผิดประเพณี ด้วยการพูดปลดด้วยการเดื่มชูลายามาส์ต่างๆการกระทาเหล่านี้จะไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วเมื่อเราไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้แก่ผู้นความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นมันก็จะกลับมาหาเราเวลาที่เราทํำบาปแต่ละครั้งนี้ใจของเราจะไม่สบายใจของเราจะทุกข์จะวิตกจะกังวลบางทีก็เสียใจ เสียใจยที่ไปทำร้ายเขาแต่ตอนที่โกรธนี้ไม่มีสติพอที่จะยับยั้งได้แต่พอไปทำเสร็จแล้วก็มาเสียใจในภายหลังมาทุกข์ใจในภายหลังแล้วนอกจากการที่อาจจะต้องรับโทษจากกฎหมายบ้านเมืองเช่นไปทำผิดกฎหมายทางกฎหมายเขาก็อาจจะมาจับตัวเข้าคุกเข้าตารางไป แล้วเวลาตายไปก็ยังต้องไปใช้ใช้กรรมต่อในอบาย<ม>ผู้ที่ทําบาปนี้ก็มีที่ไปอยู่สี่ที่ด้วยกันเรียกว่าอบายสี่ได้แก่เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน<ม>ไปเป็นไปเป็นเ ป, นเปน็เป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่หิวโหยไปเป็นอสู ร, รกายเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่หวาดกลัวและไปนรก<ม>ไปเป็นดวงวิญ ญ, ญาณ ท, ท, ที่ทุกาาาาทุกทุกทุกทุกทุกมุกทุกทุกทุกท อบายทั้งสี่นี้เกิดจากการกระทําบาปด้วยเหตุผลอันใดอันหนึ่งเช่นทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เช่นทําบาปเพื่อเลี้ยงชีพของตนเองทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คิดว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นต้องทําถึงแม้จะเป็นสิ่งจําเป็นจะต้องทําก็ต้องมีผลตามมาก็คือจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานนั่นเองเพราะเดรัจฉานเขาก็อยู่แบบนี้เขาอยู่ด้วยการฆ่ากันเอง สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อย mm. เพื่อเลี้ยงชีพของเขาไป mm. ถ้าเป็นมนุษย์แล้วมาทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพของตนเอง mm. ก็ไม่ต่างจากการเป็นสัตว์ในราชานี่เ mm. มื่อตายไปดวงวิญญาณก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์ในราชา mm. แทนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์น mm. ก็ต้องรอไปใช้บาปกรรมให้หมดก่อนถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ mm. ถ้าไม่ได้ ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยมีแต่เรื่องหิวโหยมาให้ให้หลอกหลอนจิตใจอยู่ตลอดเวลาสร้างความหิวโหอยอยู่ภายในใจตลอดเวลาเพราะความโลภนี้ทาเท่าไหร่ก็โลภเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้บาทก็อยากจะได้สองบาทได้สองบาทก็อยากจะได้ห้าบาทได้คืก็อยากจะได้สองความอยากมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆความโลภมันจะขยายตัวไปเรื่อย ได้มามากมาน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเสียทีนี่คือดวงวิญ ญ, ญาณของผู้ที่ทําบาปด้วยความโลภจะมีแต่เรื่องหิวโหวยมาให้ให้ให้หลอกหลอนจิตใจให้ทุกข์ให้จิตใจต้องทุกข์ทรมานไปเรื่อยๆส่วนผู้ที่ทําบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขาทําร้ายก็เลยไปทําร้ายเขาก่อนอันนี้ก็จะไปเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวห่้มห่อจิตใจหุมห่อดวงวิ ญ, ญญาณไปเรื่อยๆ แล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมตาต่อตาฟันต่อฟันอันนี้ก็จะถูกไฟนรกไฟของความอาฆาตพยาบาทคอยเผาผลาญจิตใจไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการสร้างศีลบา ร, รมีนี้ก็จะช่วยปิดประตูาบายเหล่านี้ได้ mm hmm. ถ้าเรารักษาศีลให้ได้ห้าข้อนี้เท่านั้นเอง mm hmm. บาปห้าข้อคือความจริงบาปแค่เพียงสี่ข้อก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณี พูดปดนสุรายาเมานี่ยังไม่ถือว่าเป็นบาปแต่เป็นอบายามุกเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการกระทาบาปได้ง่ายถ้าเราดื่มสุราแล้วเรานอนเราไม่ไปไหนมันก็ไม่เราก็ไม่ได้ไปทำบาปแต่ถ้าเราดื่มสุราแล้วเมาเราต้องขับขับรถกลับบ้านอย่างนี้<ม>ขับรถโดยที่ไม่มีสติเพราะเกิดจากอาการมึนเมาก็อาจจะเกิดไปชนกับรถคันอื่นหรือไปทาให้ผู้อื่นเขาเสียหาย ทำให้เกิดอ <itsu> ุบ so ัติอุบัติเหตุเกิดการเสียทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่นได้หรือแม้กระทั่งของตนเองก็เลยต้องเอาสุรายาเมาด้วของมุนเมาต่างๆมารวมไว้ในศีลด้วยเพราะว่าถ้าไม่ถ้ามีสติไม่ดื่มสุรายาเมามีสติก็จะมีสติที่จะคอยยับยั้งการการกทําบาปได้ในระดับหนึ่งพอคิดจะทําบาปพอมีสติก็หยุดมันได้ แต่ถ้าไม่มีสติเกิดอาการมึนเมาก็จะไม่หยุดมันนี่คือศีลบารมีอานิสงค์ของศีลบารมีก็คือจะทําให้เราอยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปสร้างความทุกข์ให้กับใครและเวลาตายไปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปถ้าได้ถ้าไม่ได้ทําบุญเลยไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทําบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้เลย ถ้าได้ทําบุญก็จะไปเกิดในสวรรค์ก่อนแล้วเมื่อกลับเมื่อบุญที่ส่งไปสวรรค์หมดลงจึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญบรารมีมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเนื่องจากการได้ทําบุญทําทานนั่นเองถ้าไม่ได้ทําบุญทําทานก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ธรมธรมดาธรรมดาไม่ร่ําไม่รวยไม่ยากไม่จนไม่ได้ทําบาปแต่ไม่ได้ทําบุญ นี่คือบา ร, รมีข้อที่3ข้อที่4บา ร, รมีที่เราต้องการจะสร้างเพื่อให้จิตใจของเราสูงขึ้นให้มีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากการเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ก็คือเราจะต้องการมาสร้างความสุขของระดับพรหมพรหมก็คือความสุขที่เกิดจากการไม่เสพกามนั่นเองพรหมนี้เขาจะยึดเขาจะเปลี่ยนวิธีหาความสุข จากการเสพรูปเสียงกดลิ่นรสมาหาความสุขจากการบำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อทำใจให้สงบเข้าสมาธิเข้าฌาน<ม>การที่จะเข้าสมาธิเข้าฌานก็ต้องเจริญเนกขมมะบาณีก็คือต้องยุติการหาความสุขทางรูปเสียงกดลิ่นรสผลพ้ด้วยการถือศีลของนักบวชนับตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปนีเรียกว่าเป็นศีลของนักบวชเพิ่มจากศีลห้าอีกสามข้อด้วยกัน สินข้อที่สมก็เปลี่ยนจากการประพฤติไม่ประพฤติผิดไม่ประพฤติผิดในการไม่ประพฤติผิดประเพณีมาเป็นละเว้นจากการเสพการมละเว้นจากการร่วมเพศกันไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามไม่แสวงหาความสุขจากการร่วมเพศกันนี่คือศินสินข้อที่สมของศินแปแล้วก็เพิ่มศินข้อที่6คือไม่ให้หาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหาร ตามความอยากต่างๆให้ยืให้ดื่มให้รับประทานหารได้ตามความจำเป็นความต้องการของร่างกายแล้วก็ไม่ให้มากเกินไปคือไม่ให้กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่จะได้เอาเวลาหลังจากเที่ยงวันนี้มาเจริญสตินั่งสมาธิกันถ้าไม่ถือศีลข้อนี้เดี๋ยวก็จะคิดพอคิดจากจะกินอะไรก็ต้องไปหาของกินมากินอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งอาจจะกินหลายรอบด้วยกัน แต่พอเรามาถือศีลข้อนี้แล้วเราก็จะไม่กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่เราจะได้เอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธินั่นเอง <Wow. S 1> เช่นเดียวกับศีลข้อเจดคือเราจะไม่หาความสุขจากการดูมหรสพ บ, บันเทิงต่างๆดูการน้องราทาเพงลงหรือไปตามสถานที่บันเทิงต่างๆไปงานเลี้ยงต่างๆอันนี้เราก็จะเลิก ไม่หาความสุขแบบนี้เอาเวลาที่เราใช้กับการหาความสุขแบบนี้มาให้กับการหาความสุขจากการทำใจให้สงบ<ม>แล้วก็ไม่ไม่มไ ม, ไม่ไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ<ม>ด้วยเสื้อผ้าอาพรก็ดีด้วยเครื่องสมอางก็ดีด้วยน้ำมันน้าหอมก็ดีด้วยสมัยนี้ก็มีถึงขั้นสัญญกรรมกัน<ม>อันนี้ ผู้ที่ถือศีลแต่นี้ก็จะไม่สวงหาความสวยงามของร่างกายมาให้ความสุขกับตนเพราะรู้ว่าร่างกายนี้ก็เป็นของไม่สวยไม่งามถ้ามองลึกเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็จะมีอาการต่างๆที่ไม่น่าดูน่าชมเช่นโครงกระดูกเช่นอวัยวะต่างๆตับไตเอาลำไส้ปอด อ, อะไรเป็นต้นเหล่านี้เป็นอาการที่ไม่สวยไม่งาม ถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะไม่เห็นว่าร่างกายนี้สวยงามที่ตรงไหนเลย mm hmm. ก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องมาเสียเวลากับการเสริมสวยความงาม mm hmm. เพราะเสริมยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนให้ปอดให้ตายให้ตับมันสวยงามขึ้นมาได้ mm hmm. ไม่สามารถทําให้โครงกระดูกมันสวยงามขึ้นมาได้ก็เลยไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หาหาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายของตน mm hmm. แล้วก็ไม่หา ไม่นอนมากเกินไปไวิธีไม่นอนมากเกินไปก็คือให้นอนบนพื้นที่แข็งแข็งเพราะว่าถ้านอนบนฟบนเตียงที่มีฟูกหนาๆที่สุขที่สบายเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนล้วตื่นขึ้นมาแล้วใจจะไม่อยากจะลุกขึ้นมาจะอยากจะนอนต่อเพราะว่าที่นอนมันแสนสบายก็จะทำให้เสียเวลาของการปฏิบัติไปได้แต่ถ้า ถ้านอนันพื้นแข็งๆนี่พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจก็ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติธรรมต่อไปอ น, นี้ก็คือในคขมมะบา ร, รมียาโยมที่มาบวชกันมาถือสิลแปดกันนุ่งขาวห่มขาวในวัดการ น, นี้เราเรียกว่ามาบวชในคขมมะแต่ภาษาชาวบ้านเรามักจะเรียกว่าไปบวชชีบวชรมกัน แต่ความจริงเป็นการเจริญในขข ม, มะบารมีการยุติการสแสวงหาความสุขทางการมลลมต่างๆนั่นเอง<ม>เพื่อที่เราจะได้เอาเวลามาหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีกว่าที่เหนือกว่าคือความสุขที่เกิดจากการความสงบการทำใจให้สงบนิ่งในสมาธิการที่เราจะทำใจให้สงบนิ่งให้ในสมาธิได้เราก็ต้องใช้สติเป็นผู้ผู้ควบคุมใจให้นิ่งให้สงบ ถ้าไม่มีสติแล้วใจก็จะไม่นิ่งไม่สงบใจก็จะคิดอยู่เรื่อยเปื่อยคิดไปได้ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งหลับนี้ใจของเราไม่เคยหยุดคิดเลยเพราะเราไม่เคยสร้างสติขึ้นมาเพื่อหยุดความคิดกันเราก็ปล่อยให้ความคิดพาเราไปทํานู่นทนํานี่ไปหาสิ่งนู่นหาสิ่งนี้มาเสพอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าความสุขที่เราได้จากการหาความสุขต่างๆเหล่านี้มันสู้ความสุขที่เกิดจากการหยุดคิดไม่ได้ แต่ถ้าเราได้มาพบกับนักบาตรอย่างพระพุทธเจ้านักบาตรอย่างพระอน า, านตสาวกนี้ท่านก็จะสอนว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพกามคือรูปเสียงกลิ่นรสนี้มีอยู่และสามารถปฏิบัติกันได้ทุกคนเพียงแต่ต้องรู้จักวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องเท่านั้นเท่านั้นเองวิธีที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องก็คือการเจริญสติการมีสติสร้างสติขึ้นมา ให้มีสติสตินี้เป็นเหมือนเบรคของรถยนต์เวลารถยนต์วิ่งไปไหนมาไหนถ้าต้องการจะหยุดรถยนต์ก็ต้องเหยียบเบรคกันถ้าไม่มีเบรคเวลาจะหยุดก็หยุดไม่ได้ก็จะต้องไปชนกับรถคันอื่นฉันใดใจของเราถ้าต้องการให้ใจนิ่งสงบให้เป็นสมาธิเราก็ต้องมีสติมีเบรคของใจเบรคของใจก็คือสติแล้วทํายังไงจึงจะทาให้เรามีสติขึ้นมาได้ การจะมีสติของให้เกิดขึ้นในใจของเราได้นี้เราต้องมีอารมย์ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผูกใจไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเ<ๆ>ช่นคําบริกรรมพุทธโธพุทธโธนี่เราเรียกว่าเป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่จะเราสามารถยึดเพื่อให้ใจนิ่งสงบไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ถ้าเราใช้พุทธโธนี้เราก็เรียกว่าใช้พุทธานุสติให้เราใช้มีสติแล้วแล้วก็อยู่กับพระพุทธเจ้า การเจริญพุทโธนี้ก็เป็นแบบย่อแบบยาวก็คือให้ระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยการเสดสวด บ, บทอิติปิโสไปก็ได้อิติปิโสภักขวาอัลลังสัมมาสัมพุทโธไม่ใช่สวดเพียงรอบเดียวนะสวดไปเรื่อยๆสวดไปนานๆาจนองก์ใจจะรู้สึกนิ่งจะเย็นไม่คิดแล้วเราถึงจะหยุดสวดได้ถ้าถ้าใช้การสวดแล้วมันเหนื่อยก็ให้มาใช้คาสั้นๆว่าพุทโธพุทโธไป การเจริญพุทโธนี้เจริญสตินี้เราสามารถทําได้ทั้งวันตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี้เราสามารถเราเลิกถึงพุทโธอยู่ได้เรื่อยๆไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามถ้าไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ใช้พุทโธกํากับใจไว้ขณะที่เราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเราก็พุทโธพุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวเราก็พุทโธไปรับประทานอาหารก็พุทโธไปทําความสะอาดบ้านก็พุทโธไป เดินทางไปทํางานก็พุโทโธไปคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆการฝึกมีพุโทโธรอยู่เรื่อยๆนี้จะมีคุณมีประโยชน์ต่อเวลาที่เรามานั่งสมาธิสาเหตุที่คนนั่งสมาธิกันแล้วใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านใจคิดอยู่เรื่อยๆก็เพราะไม่มีสติไม่ฝึกสติไว้ก่อนนั่นเองผู้ที่ยันว่นั่งสมาธิโดยที่ไม่ฝึกสติมามาก่อนนี้มกักจะนั่งไม่ได้นั่งไม่สําเร็จนั่งแล้วจิตฟุ้งซ่าน เพราะไม่มีกำลังของสติคอยหยุดความคิดนั่นเองถ้าอยากจะให้นั่งสมาธิแล้วได้ผลคือจิตนิ่งสงบจำเป็นที่จะต้องมีสติที่มีกำลังมากและการที่จะมีสติที่มีกำลังมากได้ก็ต้องฝึกสติทั้งวันนั่นเองงั <Okay. S 1> ้นพยายามเหมือนเจริญสติฝึกสติอยู่เรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาที่เรามีเวลาว่างเราก็มานั่งหลับตา นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธต่อไปไม่ต้องดูลมก็ได้ใช้พุโทโธคําเดียวนี้ง่ายกว่าไม่ยุ่งยากนอกจากว่าบางคนสติมีกําลังไม่มากพอดูลมยังไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยพุโทโธมาช่วยเ mm. ช่นใช้ใช้คำพุทธโธควบคู่กับไปกับการดูลมหายใจหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโท mm. แต่สําหรับคนที่มีสติกําลังมากแล้วไม่จําเป็นจะต้องใช้สองอย่างก็ได้ ถ้าอยู่กับพุโทโธไปได้อย่างเดียวก็อยู่กับพุโทโธไปเลยจะสบายกว่าเพราะเราสามารถเปลี่ยนพุโทโธให้ช้าก็ได้ให้เร็วก็ได้เพราะบางครั้งใจเราอาจจะคิดมากเราก็อาจจะต้องใช้พุโทโธให้เร็วขึ้นหน่อยช่วงไหนที่ใจไม่คิดมากเราก็พุโทโธแบบสบายสบายไปก็ได้แต่ถ้าเราผูกพัดพุดโทโธไว้กับลมนี้เราจะเปลี่ยนความเร็วความช้าของพุโทโธไม่ได้เพราะเราผูกไว้กับลมหายใจ บางทีการผูกไว้มันก็อาจจะเป็นอุปสรรคเวลาจิตที่คิดต้องมากนี้จะไม่สามารถห้ามความคิดได้ง mm. ั้นก็ต้องลองพิจารณาทดลองเอาว่าจะใช้พุทธโธอย่างเดียวดีไหมหรือจะใช้การดูลมหายใจอย่างเดียวดีไหมหรือจะใช้ทั้งสองอย่างก็ได้ลองนักปฏิบัติก็ต้องลองทดสอบดูพิสูจน์ดู mm. ลองผิดลองถูกไปก่อน mm. ถ้าเราไม่ลองเราก็จะไม่รู้ว่าแบบไหนดีเหมาะกับเราไม่จาเป็นว่าจะต้องเหมือนกันทุกคนเวลานั่งสมาธิผู้บายของการนั่งสมาธินี่มีหลากหลายวิธีด้วยกันดูลมอย่างเดียวก็ได้พุทโธไปก็ได้หรืยขณะฟังเทศสังธรรมตอนนี้ก็สามารถทำสมาธิไปได้โดยโดยอาศัยเสียงธรรมนี้เป็นอารมณ์กล่อมใจไปเรื่อยอ น, นี้ก็ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักทดสอบบ้าง ทดลองลองผิดลองถูกบ้างเพราะในแต่ละช่วงของของแต่ละวันนี้จิตใจของเรามันไม่เป็นมันไม่เหมือนกันบางวันมันก็สงบง่ายบางวันมันก็สงบยากบางวันมันก็ฟุ้งมากบางวันมันก็ฟุ้งน้อยการจะใช้สติแบบใดแบบหนึ่งนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับทุกทุกทุกอารมณ์ทุกทุกรักษณะก็ลองต้องปรับเปลี่ยนดูถ้าอารมณ์นี้ไม่ถูกก็ลองใช้อารมณ์นี้ดู อันนี้ก็คือเรื่องของการเจริญอุเบกขาบารมีด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิอุเบกขาก็คือการวางเฉยนั่นเองจิตจะวางเฉยได้อย่างแท้จริงแบบเป็นธรรมชาติก็คือจิตต้องรวมเป็นสมาธิเข้าฌานได้ถ้าจิตอยู่ในฌานแล้วจิตก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมาอุเบกขาคือจิตจะไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลงกับอารมณ์ต่างๆที่เนือ กระทบกับจิตใจได้ยินเสียงก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเห็นอะไรก็ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้าไม่มีอุเบกขานี่ยพอได้ยินเสียงดีก็ดีใจพอได้ยินเสียงไม่ดีก็เสียใจแต่ถ้าฝึกสติฝึกสมาธิจนจิตมีอุเบกขาแล้วจิตก็จะวางเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้รูปเสียงกลิ่นรสผุภะที่ไปสัมผัสรับรู้ก็จะวางเฉย ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมันได้นี่คือประโยชน์ของการเจริญอุเบกขาบารมีถ้าได้อุเบกขาบารมีนี้ก็จะได้นิสงฆ์ถ้าตายไปก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมสองระดับด้วยกันสวรรค์รูปประพรมและสวรรค์รูปประพร์ mm. แล้วขั้นต่อมาเมื่อเราได้อุเบกขาบารมีแล้วเราก็พร้อมที่จะเข้าสู่การเจริญปัญญาบารมีได้ปัญญาบารมีก็คือ คือการมีสัมมาทิฏฐินั่นเองการมีความเห็นที่ถูกตั้งตามความเป็นจริงเห็นเห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลาภยศสเสริญสุขที่เราเสดเราสัมผัสกันก็เป็นอนิจจังทุกขงาาังอ น, นัตตาอนิจจังก็คือเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปมันก็ทําให้เราทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง ไม่ได้อยู่กับเราให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้แทนที่จะหาความสุขจากการเสพรูปเสีย ง, งกลิ่นรสจากการหาลาภยศรเสริญ ม, มาเสพก็เปลี่ยนวิธีการหาหาความสุขด้วยการทําใจให้สงบปล่อยวางตัดความอยากหยุดความอยากต่างๆ ควาอยากนี้แหละเป็นตัวที่หลอกให้จิตไปหาความสุขหาความทุกข์กัน<ม>แต่พอได้ปัญญาเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราไปอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์เราก็จะระงับความอยากได้พอระงับความอยากได้ใจก็จะหายทุกข์ใจก็จะสงบเย็นสบายนี่คือหน้าที่ของปัญญาไว้คอยสอนใจเตือนใจไม่ให้ไปทําตามความอยากต่างๆพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจจะ ใจจะกระเพิ่มใจจะไม่สงบใจจะวุ่นวายขึ้นมาทันทีกระวนกระวายกระสับกระสายแล้วสิ่งที่ได้มาก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไม่สามารถเก็บเอาไว้เป็นของเราไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องจากเราไปให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะระงับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ถ้าเราสามารถระงับความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ ใจเราก็พ้นจากความทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเหตุที่พาให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันนี้ก็เพราะความอยากต่างๆนี่เอง<ม>ถ้ายังอยากหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าอยู่เราก็ต้องมีร่างกายพ<ม>อร่างกายอันนี้ตายไปเราก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ใช้ร่างกายอันใหม่พาเราไปหาลาบยศสรรเสริญสุขกันใหม่นั่นเอง แต่ความสุขที่ได้จากลาภยศเสรเสรินั่นก็เป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วพอร่างกายแก่เจ็บตายความสุขที่ได้มาก็หมดไปแต่ความอยากที่อยากจะได้ความสุขเหล่านี้มันไม่หมดพอร่างกายตายไปความอยากที่มีอยูในใจมันก็จะพาให้ใจของเราไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เราก็จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราที่ผ่านมานี้นับจํานวนไม่ถ้วนพระพุทธเจ้า บ, บอกว่า ถ้าอยากจะรู้ว่าเรามาเกิดแก่เจ็บตายกี่รอบแล้วก็ให้นึกถึงน้ําตาที่เราหลั่งแต่ละรอบ<ม>ทุกครั้งที่เรามาเกิดนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ได้ร้องไห้กันต้องเจอกับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ต้องหลั่งน้ําตากันถ้าเราน้ําตาที่เราที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวมกันแล้วเนี่ยมันจะได้น้ํามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทร<ม>นี่คือปริมาณของความทุกข์ที่เราได้สะสมกันมาได้สัมผัสกันมา และจะสัมผัสอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาที่จะเห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์ไม่ควรที่จะไปอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ไม่ควรที่จะอยากไปหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปอันนี้คือการใช้ปัญญาสอนใจเรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาบา ร, รมีมองให้เห็นอ น, นิจจัง เห็นอนัตตาเห็นทุกขังที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วใจก็จะได้ตัดความอยากต่างๆหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากต่างๆได้ใจก็จะสงบเย็นสบายถ้าไม่มีความอยากเลยจิตก็จะสงบไปตลอดเป็นบรลุมสุขขึ้นมาจิตที่เป็นบรลุมสุขที่ปราศจากความอยากนี้ก็เรียกว่านิพานนั่นเองนิบานังปรมังสุขขังคือจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอนันตสาวกทั้งหลาย ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมได้สร้างบุญบา ร, รมีต่างๆมาจนครบถ้วนบริบูรณ์ยังสามารถทําให้จิตปราศจากปัญหาความอยากต่างๆได้ทําให้จิตสงบต่สงบไปตลอดเวลามีความสุขแบบบ ร, รมณสุขตลอดเวลาและไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปหาความทุกข์มาให้กับใจต่อไปการที่เราจะสร้างบา ร, รมีเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีอธิษฐานบา ร, รมีกั็สัจจะบา ร, รมี ที่เรามักจะพูดคู่กันไปว่าสัจจะอธิษฐานคือความตั้งใจว่าจะสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้นั่นเองเรียกว่าสัจจะอธิษฐานแล้วเราก็ต้องมีวิริยะบา ร, รมีคือความขยันหมั่นเพียรขยันที่จะสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆไปทุกวันทุกเวลาว่างเมื่อไหร่มีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะสร้างบุญบา ร, รมีไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องมีขันติบา ร, รมีเพรเวลาสร้างบา ร, รมีมันก็ต้องทุกข์ยากลําบากเป็นธรรมดา เหมือนกับการทำงานเหมือนกับการปีนเขาการสร้างบารมีนี่ขอรานึกถึงว่าเป็นงานเหมือนการปีนเขาการเดินขึ้นขึ้นเขาการเดินขึ้นเขากับการเดินลงเขามันง่ายมันยากง่ายต่างกันการการทำบาปนี้มันง่ายเหมือนเดินลงเขาชวนไปกินเหล้าไปเลยชวนไปเที่ยวนี่ไปเลยแต่ชวนให้ไปทาบุญชวนให้ไปรักษาศีลชวนให้ไปปฏิบัติธรรมนี้มันรู้สึกว่ามันยากแสนยาก ถ้าเราไม่มีขันติความอดทนนี่เราจะไม่สามารถทำความดีต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสร้างความอดทนขึ้นมาใ น, ในใจด้วยการมองเห็นผลประโยชน์ที่จะตามมาจากการสร้างความดีต่างๆความดีต่างๆที่เราสร้างนี้จะทำให้ใจเรามีความสุขมากขึ้นจะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ใ น, ในใจของเราน้อยลงไปตามลำดับและหมดสิ้นไปได้ภพชาติของเราก็จะน้อยลงไปและภพชาติที่เหลืออยู่ก็เป็นภพชาติที่จะดีมีแต่ความสุขความเจริญ ทุกพบชาติที่ไม่ดีคือการต้องไปเกิดในอบายก็จะหมดไปเออหลือแต่พบชาติที่ดีแล้วก็จะลดน้อยถอยลงไปจนในที่สุดเมื่อเราสามารถหยุดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปอยากใจได้ลแล้วออใจเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปออและอยู่ในพานิพานที่เป็นที่ที่มีความสุขที่สุดในตายโลกกระพบออไม่มีพบไหนโลกไหนที่จะมีความสุขดีเท่ากับพานิพาน น, นี้ก็คืออ น, นิสง์จากการที่มาสร้างบุญบา ร, รมีสิประกาศนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างมาด้วยพระ อ, องค์เองและทําให้พระพุทธเจ้าได้บรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้พวกเรามาสร้างบุญบา ร, รมีกันตามโอกาสตามเวลาเช่นวันพระวันพระนี่เป็นวันที่เราควรจะถือว่าเป็นวันสร้างบุญบา ร, รมีกันถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นวันที่เราต้องไปเอาเข้าอู่เอาไปตรวจสอบเช็คสภาพเอาไปเติมน้ํามันต่างๆ ถ้าเราไม่เข้าอู่ไปตรวจสภาพเลยเดี๋ยวรถวิ่งไปก็จะเสียได้ใจของเราถ้าไม่สร้างบุญบา ร, รมีเราก็อาจจะชะลักในในการเดินทางไปสู่ที่ประเสริฐที่เลิศได้ใจเราก็จะมาติดอยู่กับสิ่งต่างๆที่ไม่ดีต่างๆได้เพราะฉะนั้นขอให้เรามีวันพระกันมาสร้างบุญบา ร, รมีกันเช่นวันนี้แล้วจิตใจของเราจะค่อยจเจริญเติบโ ต, ตขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับ แต่ในที่สุดก็จะไปถึงขั้นสูงสุดได้ต่อไป น, นี่คือเรื่องของการมาบำเพ็ญบุญบรรีในวันพระที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาตาวารรวาหาภูราปาริภูเรนติสาขลงเอวามีวาอิตุทินงังเปตานางังอุปกรปติ เหตุชี้ต่างปัจถิต่างตุมหังคิดเป็เมวาสมิชะตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปันะระสสยธามณีโชติระสสยธาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตะลายโยสุขีตีขายุโกภวะ อาพิวาทานสีมิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอาจจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่สะดวก พอหลังจากที่เลอกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่น้องคลับนำ้ำมสการเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทั้ง Facebook 377 YouTube พระอาจารย์สุชาติ349 YouTube ดรวีิวิทยุออนไลน์11 c l u b h o u s ับฮ์ 5. ผู้รับฟังนาคุติสองรสิบเจ็ดรวมหนึ่งพันสิบท่านเจ้าคะ่ะมีอะไรก็ถามได้เลยคำถามฝากถามจากผู้รับฟังนาคุติเจ้าคะ่ะโยมได้โยมเจอคนพานกั่นแกล้งตลอดเวลามาสามปีแล้วเบื่อหน่ายชีวิตมากๆโยมควรจะทำอย่างไรเจ้าค่ะคนจะมองว่าเป็นการกระตุ้นให้เราสร้างบารมีมีคำพูดว่า มารบรมีบรมีบอ่บอเกิดออพอมีมีมารมาให้เราต้องภาชนเราก็ต้องสร้างขันติบรมีขึ้นมาความอดทนเราต้องยอมรับ ว, ว่าเราอยู่ในโลกนี้มีทั้งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเราจะเอาแต่สิ่งที่ดีอย่างเดียวไม่ได้เฉะนัะ้นถ้าเราเจอสิ่งที่ไม่ดีนี่เราต้องถือว่าเป็นโอกาสนั้นดีที่จะทำให้เราสร้างภูมิต้านทานให้มีมากขึ้นเหมือนกับตอนที่เรามีโรคระบาดโควิดเนี่ย ถ้าไม่มีโควิดเราก็จะไม่มีวัคซีนนะพอมีโควิดเราก็ต้องหาผลิตวัคซีนขึ้นมาเพื่อสู้ออกับโควิดตอนนี้เราก็มีวัคซีนแล้วเรามีภูมิคุ้มกันนะต่อไปเราจอโควิดเราก็จะรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนเวลาเจอเวลาเจอมาเราก็ต้องสร้างขันติความอดทนขึ้นมาคิดเสียว่าเป็นการใช้กรรมเก่าไปก็แล้วกันชาติก่อนอาจจะมีเวรมีกรรมกันมาเราอาจจะไปทําร้ายเขาก่อนชาตินี้เขาเลยมาตามจองเวรเอาคืน ก็คิดว่าใช้นี่เก่าไปอยู่เฉยๆไปท่านเองไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องตอบโต้ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเขาพูดอะไรเขาทำอะไรหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเราก็แล้วกันเพื่อป้องกันการเกิดวจัจจทุจริตจึงไม่พูดกับใครเลยทั้งวันการกระทำแบบนี้ใช้ได้ไหมเจ้าคะถ้าอยู่คนเดียวก็ได้นะแต่ถ้าอยู่คนอื่นไม่ไม่พูดเขาเลยมันก็ยังไงอยู่ ฉะนั้นก็ต้องมีสติเวลาจะพูดอะไรพูดเท่าที่จำเป็นพูดความจริงพูดด้วยวาจาที่สุภาพถ้ามีอารมณ์ไม่ดีอยากจะใช้คำสบุญก็ระงับเสียอย่าใช้พุโทโธพุโทโธไปอย่าระบายออกมาทท้งนั้นเองแต่พอเราอยู่ร่วมกันมันต้องพูดกันมีภาพรูปหนึ่งเขาไม่อยากจะพูดเขาเลยใช้เขียนกระดาษเอา <laughs> มันก็เหมือนพูดนลยฉะั้นมันต้องใช้ความคิด เวลาท่านจะใช้ปากพูดมันก็ใช้ปากากาพูดแทนมันก็พูดอยู่ดีการที่การที่ไม่พูดนี้เพื่อต้องการหยุดความคิดเป็นการเจริญสติอย่างหนึง่งเพราะถ้าเราคิดแล้วมันพอเราพูดนั่นจะคิดมากเพราะเราไม่ถ้าเราไม่พูดได้ก็ดีแต่โดยปกติถ้าเราอยู่ในสังคมมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราอยู่กับเขาเราก็ต้องพูดกับเขาบ้างไม่งั้นเดี๋ยวก็จะงงว่าเฮ้ยเป็นยังไงคนนี้โกรธเราหรือเปล่าเกลียดเราหรือเปล่าอะไรทำนองนั้น งั้นก็พูดให้น้อยที่สุดพูดเท่าที่จำเป็นเวลาที่เราพบปะกกับใครถ้าไม่อยากจะพูดกับใครก็ไปอยู่คนเดียวคำถามจากทางอินอินบ็อกซ์เจ้าค่ะเพื่อนได้เสียคุณพ่อกระทันหันจากอุบัติเหตุอยากทราบเหตุว่าทำบาปอะไรไว้จึงเจออุบัติเหตุเสียชีวิตและกราบขอวิธีทำใจให้จิตใจเข้มแข็งด้วยเจ้าค่ะ อ, อ๋อความตายเกิดจากการเกิดให้คิดอย่างนี้ตรงเป๊ะเลย ถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายส่วนจะตายด้วยวิธีใดนี่มันยุ่งยากคนคว้าลำบากอย่าไปหาหาหายากหาสาเหตุยากเพราะมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันงั้นเหตุหลักก็คือการมาเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมีการตายตามมาอย่ามีคนอยากจะถามคำถามทัม้งหลังะเชิญพูดใกล้ๆกลไม่ใกล้ใกล้ปากนะครับ ธรรมการครับหลวงพ่ อ, อถ้ามองในมุมของศีลแปดครับก็พยายามที่จะปฏิบัติเพิ่มเพิ่มให้ได้ทีทละข้อครับยกตัวอย่างเช่นการ น, นอนกอ็นอนกับที่เตียงไม่สูงหรือว่าพื้นที่แข็งนะครับก็พอนึกถึงในเรื่องของการ ผมของหอมหรือว่าแต่งตัวครับคือผมทำงานที่ต้องอพบผู้คนแล้วพอทำงานไปสักพักมันก็ะจะเริ่มเหมือนกับว่านหน้าหน้ามันหรืออะไรพวกนี้ครับ<ม>ก็คิดว่าสถานที่ทำงานเนี่ยถ้าเกิดเราล้างหน้าทาแป้งสักหน่อยแล้วก็เหมือนกับว่าฉีดของหอมเนี่ยเพื่อทำหน้าที่ อย่างนี้ถือว่าไม่ควรไม่ครับหรือว่าพอทําได้ครับคือทำได้เพียงแต่เร า, เราอยอมแล้วว่าเรายังไม่สามารถรักษาสิ่ข้อนี้ได้เท่านี้การรักษาศิ่งแปดนี้ส่วนใหญ่สําสหรับผู้ที่ไปอยู่วันไปปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราทํางานทําการเข้าสังคมมันก็ต้องมีการปรับตัวให้เหมาะกับสังคมเราก็อย่าเพิ่งไปถือสิ 8, ่งแปดถือสิ่งห้าหรือสิ่งหกหรือสิ่งเจ็ดไปก็ไหนเรายังรักษาได้ก็รักษาไป คือเป้าหมายของการไม่ใช้เครื่องหอมต่างๆเพื่อไม่ให้เราเสีความสุขจากรูปเสียงจากจากกลิ่นของน้ําหอมอะไรต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเรายังต้องทํางานอยู่เราไม่ได้มาอยู่วัดเพื่อปฏิบัติธรรมจริงๆก็ข้อวนี้จะรักษาไม่รักษามันก็ไม่มีไม่มีผลแตกต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าเรามาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ต้องการที่จะไปเสริมความงามอาบน้ําล้างหน้าก็พอถ้าหน้าถ้าหน้ามันมันก็ล้างหน้าด้วยสบู่ไปก็ได้ ร่างกายกินเสรนจก็าบน้ำไปก็พอครับครับขอบคุณครับอขออนุญาตอีกคำถามครับคื อ, อมีลูกชายตอนนี้ก็ประมาณห้าขวบครึ่งครับหลวงพ่อแล้วในในบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากเล่าเกี่ยวกับธรรมะที่เราได้รับมาจากพระพุทธองค์เนี่ยกับ กับลูกแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นธรรมะที่ไม่ไม่ตรงตามอายุยกตัวอย่างเช่นว่าคนเราต้องมีเกิดแก่เจ็บตายหรือว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงอะไรเงี้ยครับคื อ, เ, อ, อเราควรจะต้องปรับธรรมะให้เหมาะสมกับอายุเขาใช่ไหมครับถูกต้องต้องดูว่าเ้ารับได้ได้หรือไม่เขาเข้าใจหรือไม่ เห็นเรามีเด็กคนนึ่งประมาณอยุสิบสองขวบมาถามเราว่าทําไมเราคนเราต้องตายด้วยแล้วก็บอกว่าร่างกายเรานี่เป็นเหมือนใบไม้ใบไม้ที่มันอยู่บนต้นไม้วันหนึ่งมันก็ต้องร่วงลงมาร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นมันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่ถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องตอบเขาเรื่องราวเหล่านี้สอนแต่เรื่องที่บอกกับเขาก็คือสอนให้เขามีความเมตตา ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ไปตบยุงไม่ไปฆ่ามดหรืออะไรทํานองนี้สอนตามตามภูมิของเขาสอให้เขามีความให้ทานเนี่ยพาก็มาใส่บาตรชวนเขาใส่บาอะไรทํานองนี้แล้วชวนมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมก็ได้ถึงแม้จะนั่งหลับก็อย่า ง, งาน้อยเขาก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศตา่ตางๆอั้นทํา ม, มันมีหลายระดับด้วยกันในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่มันระดับมหาลัยแนละ้ว ต้องเป็นผู้ขนาดผู้ใหญ่บางคนยังไม่ยอมยังไม่ยอมฟังเลยะฟังแล้วใจจะวายหัวใจจะวายกลัวตายองนี้เขาก็ไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องสอนเขาครับอา<ใ>จารย์นมาส ก, การครับ ต, ต้องสังเกตดู ว, ว่าเด็กรับได้มากน้อยเท่าไหร่เด็กบางคนถึงแม้จะเป็นเป็นเด็กแต่ใจอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้อดีตชาติเขาได้สะสมปัญญามาม า, มากพอเขาจะอาจจะสามารถรับความจริงที่ ที่หนุนแรงได้เช่นความจ้าความตายเป็นต้นความพัดภาคจากกันถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าพิ่งไปสอนเขาสอนพื้นฐานก่อนสอนความเมตตาสอนการให้ทานอันนี้สอนนี้แสดงธรรมมีเมตตามห้ทานบา ร, รมีแล้วก็ศีลบา ร, รมีสามสารข้อนี้ไปก่อนส่วนเรื่องปัญญานี่รอให้โตกว่านี้ก่อนรหรือถ้ า, ถาเขาถ้าเขาสนใจเขาถามแล้วก็พูดไปให้เขาฟังได้ ขอบคุณครับคำถามจากคุณช้างทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติเจ้าค่ะการนั่งสมาธิแม้ว่าจิตยังไม่สงบบางครั้งก็แวะไปคิดเรื่องอื่นต้องเริ่มต้นใหม่อย่างนี้ถือว่าเราได้เริ่มสะสมบารามีแล้วหรือยังเจ้าคะก็ได้สะสมความเพียรวิริยะบารามีส่วนอุเบขาบารามีนี้ยังไม่เกิด า็จิตยังไม่สงบก็ต้องทำต่อไปเรื่อยเอยหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้วันนี้มันไม่ได้ออกดอกออกผลในวันพรุ่งนี้เลยอาจจะต้องรอเป็นปีกว่าจะออกดอกออกผลผลของการนั่งสมาธิก็คือการได้อุเบกขาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามะานานพอสมควรขึ้นอยู่กับสติที่มีมากน้อยถ้ามีสติมากก็จะได้ผลเร็วถ้ามีสติน้อยก็จะได้ผลน้อยอ เป็นคาถามต่อเนื่องจากท่านเมื่อกี้นะเจ้าคะเมื่อโยมนั่งสมาธิส่วนใหญ่มันจะเต้นกระพริบกระพริบอยู่หว่างคิ้วหรือหน้าผากมันจะกระพริบอยู่อย่างนั้นสิบกว่าครั้งแล้วหยุดไปแล้วสักพักก็จะเกิดขึ้นใหม่แบบนี้คืออะไรและควรจะแก้ไขอ ย, อย่างไรเจ้าคะไม่ต้องสนใจนะเวลานั่งสมาธิให้ดูลมหายใจเข้าออกถ้าดูได้ถ้าดูไม่ได้ก็ให้บริกรรมพุทโธไป ถ้าบริการพูดโททไม่ได้ก็สวดมนตน์ไปก่อนส่วนอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นผลพลอยได้เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับมันถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราก็มันก็จะไม่ทำให้เราเสียสมาธิเสียสติถ้าเราไปยุ่งกับมันเราก็จะไม่มีสมาธิไม่มีจะไม่มีสติที่จะทำให้ใจสงบได้คาถามจาก facebook ค่ะจากคุณชาญยุทธ พระโสดาบันจัดอยู่ในโล ก, กุตรธรรม9้าผู้ที่สําเร็จพระโสดาบันแล้วตายก่อนยังไม่ถึงพระนิพพานในชาตินี้จะต้องกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจดชาติอยากกลับเรียนถามว่าพระโสดาบันถึงโล ก, กุตระธรรมแล้วทําไมท่านถึงยังกลับมาเกิดในโลกียรธรรมอยู่ครับผมเข้าใจว่าโล ก, กุตระธรรมนั้นเหนือโลกียรธรรมไปแล้ว เ, เจอเจตนั้นเจตนั้นอยู่ในโล ก, กุตระธรรม แต่มันยังมีกิเลสที่ยังเป็นโลกิยะอยู่ยังมีตัรหาความอยากเศษกามอยู่เป็นโลกุตระบางส่วนแต่บางส่วนยังไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นโลกุตระร้อยเปอร์เซ็นต์หมือนเป็นส่วนผสมมีทั้งโลกิยะและมีทั้งโลกุตระเพราะฉะนั้นยังมีพระหลานทนนั้ที่ได้โลกุตระเต็มร้อยนอกนั้นอีกสามขั้นนี้ยังต้องกลับมาเกิดในตายพบ การมาพบก็พระโสดาบันกับพระสกิฎาคามีรูปภพหรืออรูปภพก็คือพระอนาคามีพะระอรหันต์นี้ไม่กลับมาเกิดในโลกิยะอีกต่อไปคำถามจากคุณพันนีเจ้าค่ะแม้ร่างกายเราเจ็บปวดใจเราคิดแต่พุทโธหรือโดลมแม้ทำงานอยู่ในชีวิตประจำวันกลาบขอคาชี้แนะพระอาจารย์ต่อเจ้าค่ะว่าโยมควรทาอย่างไรต่อไป เวลาในชีวิตประจําวันนี้เราก็ดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าไปดูลมเพราะลมมันดูยากดู<ม>ดูร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังกินอาหารก็อยู่กับการกินอาหาร<ม>กําลังเดินก็อยู่กับการเดินกําลังอาบน้ําก็อยู่กับการอาบน้ำให้ใจผูกไว้กับการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายไม่ให้ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วถ้ามีเวลาว่างก็นั่งหลับตาแล้วดูลมหายใจเข้าออกได้ถ้าจะดูลมต้องรอให้นั่งเฉยๆก่อนจะดีที่สุดเพราะลมมันดูยากมันละเอียดแล้วถ้าเราดูลมแล้วเดี๋ยวเรากําลังทําอะไรอยู่ก็อาจจะผิดพลาดได้เพราะฉะเพื่อการไม่ให้เกิดการผิดพลาดและเพื่อให้มีสติก็ต้องดูงานที่เรากําลังทําอยู่เช่นกาลังขับรถอยู่นี่ถ้าไปมัวแต่ดูลมเดี๋ยวรถชนกันนะก็ต้องดูว่าเรากําลังขับรถไป ทางไหนจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าหรือไม่ต้องหลบหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าดูลมตอนที่เรามีการเคลื่อนไหวมีการกระทำอะไรให้ดูร่างกายแทนหรือถ้าดูดู่างกายแล้วมันยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนอ ย, อ ย, อยู่ก็ให้ใช้พุโทโธมาดึงกลับมาที่ร่างกายเพราะนึกถึงพุโทโธพุโทโธไปสักพักเดี๋ยวมันก็จะกลับมาที่ร่างกายได้แล้วก็อยู่ที่ร่างกายต่อไปคำถามจากคุณทีคัทานาเจ้าค่ะ ความเข้าใจของโยมว่าการบรรลุพัสดาบันนั้นคือการไม่ยึดในกายร่างกายว่าเป็นของเราเป็นตัวตนเห็นรูปเป็นตนเห็นเวทนาเป็นตนและความสงสัยในพระรัตนาตายให้ละเห็นความจริงในสามข้อนี้ถูกไหมเจ้าคะถูกเพิงเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นทุ๊กตาตัวหนึ่งเป็นของพ่อแม่มอบให้กับเรา เราเป็นดวงวิญญาณมาเพียงแต่มาใช้ร่างกายเหมือนกับรถยนต์คันหนึ mm ่ง hmm. เราเป็นคนขับรถยนต์เป็นคนอส่วนกันแต่ความหลงมันจาทำให้เราคิดว่าเราเป็นร่างกายพอเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยหวงร่างกายหวงร่างกายทุกข์กับร่างกายแต่ถ้ารู้ว่าไม่เป็นร่างกายของเราแล้วเราก็จะไม่หวงไม่หวงเราก็จะปล่อยวางได้เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายคาถามฝากถามจากทางอินบ็อกซ์เจ้าค่ะ ถ้าเคยทําผิดศีลห้าทุกข้อมาตลอดตอนนี้อายุเยอะแล้วโยอมกลับตัวทันและหนีอบายได้ไหมเจ้าคะ่ะได้ถ้าบรรลุเป็นผ้าอรหันหะบรรลุเป็นผ้าโซดาบรรขึ้นไปก็ปิดประตูอบายได้แล้วยอย่างองค์ุลิมานฆ่าคนตังน้งเก้าร้ยเก้าสิบเก้าคนยังปรับใจมากลายเป็นผ้าอาหารหันได้ก็ไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องกลับมาวินว่ายตายเกิดเด็กต่อไปคําถามจากคุณพนิดาค่ะ ในการฝึกปฏิบัติเจริญภาวนานั่งสมาธิหลังจากหนึ่งชั่วโมงไปแล้วจะเริ่มปวดเมื่อยจึงเปลี่ยนอิเยบทไปเดินจงกรมสลักไปมาแทนหรือจริงๆแล้วโยมควรจะนั่งสมาธิต่อไปยาวๆทนต่อเวทนาเจ้าค่ะถ้าอยากจะพัฒนาให้มากให้สูงขึ้นให้มีพลังมากขึ้นก็ต้องนั่งทนต่อไปใช้สติสู้กับความเจ็บปวดของร่างกาย ถ้ามีสติมากพอก็จะทําใจให้สงบได้แล้วก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายก็จะสามารถจเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ต่อไปก็จะได้ไม่ไม่มีความหวาดกลัวกับความเจ็บของร่างกายเพราะเรารู้จักวิธีสู้ความเจ็บได้ด้วยการใช้สติพุโทโธพุโทโธไปคํถาถามจากคุณอ้อเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันพระลูกตั้งใจถือศีลห้า แต่เกิดอารมณ์โกรธแต่พอรู้ว่าโกรธแล้วก็หยุดแบบนี้ถือว่าบาปใหม่เจ้าคะ่ะถ้ายังไม่ได้ทำอะไรก็ยังไม่บาปถ้ายังไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรก็ยังไม่ถือว่าบาปเป็นอกุศลเป็นความคิดที่ไม่ดีที่เราหลายคนจะรั ง, งับเพราะถ้าเราปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันจะพาให้เราไปพูดไปทาต่อแล้วมันก็จะเป็นบาปขึ้นมาคาถามจากคุณมานะเจ้าคะ่ะผู้รู้ ใช้วิญญาณขันในการรู้ใช่ไหมครับวิญญาณขันนี้ไว้ใช้สำหับเชื่อมต่อกับร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเห็นรูปได้ก็ต้องมีวิญญาณไปเกาะที่ตาพอตาเห็นรูปปับ๊บวิญญาณก็จะรับรูปเข้ามาให้ที่ใจอีกทีนั้นวิญญาณก็เป็นเหมือนกับตัญญาณวิทยุโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่เชื่อมต่อมือถือสองเครื่องให้ให้ติดต่อกันได้ ใจก็จะติดต่อกับร่างกายได้ก็ต้องมีวิญญาณเป็นผู้ไปเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายแล้วพอร่างกายรับรูปเสียงกิริย์ลดก็จะส่งมาที่ใจผ่านทางวิญญาณแล้วพอพอใจเห็นแล้วรู้แล้วก็อาจจะสั่งการผ่านความคิดกลับมาที่ร่างกายว่ารูปนี้สวยไปเอามารูปนี้ไม่ดีโยนทิ้งไปเป็นต้นนี่คือการทํางานระหว่างกายกับใจ หมดแล้วนะโอเคมีใครสงสัยอะไรอยากจะถามเพิ่มแต่ก็ถามได้นะยังพอมีเวลาอยู่เดี๋ยนั่งรอแป๊บหนึ่งทั้งนาทีสองนาทีได้ดังใจกับร่างกายนี่เป็นคนละคนกันเหมือนคนขับรถกับรถเนี่ยเป็นคนละคนกันคนขับรถก็ใช้ใช้รถยนต์ด้วยการใช้พวงมาลัยใช้เบรกใช้อะไรต่างๆอ่าเชิญ ครับการนมัสการหลวงพ่อครับคือผมจะสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติผมจะสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติครับการปฏิบัติของผมคืออผมรู้ลมหายใจเป็นหลักในขณะนั่งก็จะรู้ว่านั่งนะครับถ้าเดินก็จะรู้ว่าเดินการรู้แล้วก็รู้ความคิดที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ความคิดที่เกิดขึ้นนะครับ ในขณะที่ตื่นจนถึงก่อนที่จะหลับเงี้ยครับดดผมทําู ด, ดัำผมทําอยู่แบบนี้ตลอดอะครับเ <c oughs> กี่ยวกับการปฏิบัติก็คือมีทั้งในรูปแบบแล้วก็ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่อยู่ในชีวิตประจําวันครับทีเนี้ยมันเห็นว่าการเกิดก็คืออารมณ์ต่างๆเงี้ยครับมากระทบที่ใจเนะครับมันก็จะรู้แต่ถ้าเป็นอารมณ์โกรธเนี่ยมันจะชัดมากครับ ทีนี้มันก็จะทําให้เห็นว่าโกรธเนี่ยมันมันมันสามารถที่จะหายไปได้ถ้ามันมีตัวรู้ที่ไวที่จับได้ทันเนี่ยครับสักพักหนึ่งก็หายไปเลยแล้วก็กลับมาเป็นปกติรู้อยู่ที่ลมหายใจหรือไม่ก็อยู่ที่ท้องอะครับแล้วก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเดินยืนเดินนั่งนอนเนี่ยครับรู้ออกไปบ้างแล้วก็กลับมาเนี้ยครับ ซึ่งอยากจะสอ บ, สอบถามพระอาจารย์นะครับว่าผมเนี่ยทำทำถูกต้องไหมครับก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไปว่าถ้าเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวก็ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่ไปดูลมดูลมได้ตอนเฉพาพเวลาที่ร่างกายไม่เคลื่อนไหวแล้วเวลาร่างกายนั่งอยู่เฉยๆตอนนั้นก็ดูลมอย่างเดียวได้แต่ถ้าเวลามีการเคลื่อนไหวก็ต้องดูการเคลื่อนไหวถ้าเราไม่ดูการเคลื่อนไหวเดี๋ยวเราทําอะไรผิดพลาดได้ เดินไปชนสิ่งนั้นชนสิ่งนี้เตะสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเราโมยดูแต่ลมไม่ได้ดูว่าตอนนี้เรากําลังเดินไปชนอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลามีการเคลื่อนไหวให้ดูที่การเคลื่อนไหวของร่างกายพอไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ให้นั่งดูดูลมหายใจเข้าออกส่วนความคิดต่างๆอย่าเพิ่งไปดูมัน <S <S ตอนนี้เราต้องการหยุดความคิดถ้าไปดูมันความคิดมันก็จะต่อไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆ ถ้าจะดูก็ดูให้มันหยุดคิดถ้ามันไม่หยุดคิดก็ใช้การดูลมหายใจเป็นการหยุดมันหยุดมันก็ได้หรือใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปดูความคิดเพราะเรายังควบคุมความคิดไม่ได้เราต้องการควบคุมความคิดให้ได้ก่อนให้หยุดความคิดให้ได้ก่อนเราค่อยไปดูความคิดถ้าความคิดที่ดีก็ปล่อยมันคิดไปถ้ามันคิดไม่ดีก็หยุดมันได้ บมืตอนนี้เราต้องการสติเพื่อหยุดความคิดเพื่อให้จิตสงบให้เข้าสมาธิให้ได้ก่อนเมื่อเราสามารถเข้าสมาธิได้แล้วเราก็จะสามารถดูความคิดได้อย่างชัดเจนและสามารถสั่งให้มันหยุดก็ได้หรือสั่งให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้คิดไปในทางปัญญาก็ได้และความสงสัยครับอาจารย์ความสงสัยก็หยุดคิดถ้าเราหาคาําตอบไม่ได้ก็หยุดคิดไปก่อน จนกว่าเราจะเจอคนที่เขารู้เราถามเขาเขาให้คำตอบเราก็ถามไปถ้าไม่มีใครตอบได้ก็อย่าเพิ่งไปอย่าไปสงสัยยกไว้ก่อนไม่ไม่ไม่ไม่ตายหรอกถ้าสงสัยแล้วไม่ได้คำตอบไม่ตายหรอกขอให้เรารู้จักวิธีควบคุมใจเราให้นิ่งให้สงบก็พอเอาหมายหลักของการปฏิบัติควบคุมใจของเราควบคุมความคิดให้จิตนิ่งสงบให้เป็นอุเบกขาท่านหนึ่งโอเค ครับของครับหนูมีคำถามหรือเปล่าใจเต้นแล้วากเตอนแรกก็ไม่เป็นการอภิาศการค่ะเออถามต่อจากพี่ค่ะก็คือว่าสมมติถ้าปฏิบัติมาจนเกิดสภาวะแบบที่เห็นความคิดแล้วมันดับได้ทันทีแล้วอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเหมือนเราก็กลับมาได้ตลอดด้วยความรู้สึกตัวค่ะพระอาจารย์ แล้วก็ถ้าถามเรื่องการปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะตื่นเอ่อสมมุติถ้าตอนนี้ค่ะสิ่งที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มเติมหรือละเอียดได้มากกว่านี้ไหมค่ะสิ่งที่ตอนนี้เอิงทำนะคะก็คือเวลามีสิ่งมากระทบอะค่ะรู้ทันสิ่งที่มากระทบแล้วก็รู้ถึงใจว่าเราอะ มีความรู้สึกอะไรแล้วมันก็ดับถ้าเราจะเพิ่มปัญญาหรือเพิ่มพัฒนาในการปฏิบัติอะคะ่ะมันควรเพิ่มเติมยังไงไหมคะพระอาจารย์ก็ต้องรู้เฉยๆเขาด่าเราเราก็เฉยเขาชมเราเราก็เฉยถ้าเรายังมีอาการอยู่ดีใจเสียใจอยู่เราก็ต้องสานว่าเสิ่งเหล่านี้คําพูดของเขานี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่แน่นอนบางทีเขาก็พูดดีบางทีเขาก็พูดไม่ดี ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับเขาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปดีใจกับคําพูดที่ดีพอเขาพูดไม่ดีขึ้นมาเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่อยากจะเสียใจก็อย่าไปดีใจให้รู้เฉยๆไปรู้ว่าเราควบคุมไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาพูดแต่คําพูดที่ดีไม่ได้บางเวลาเขาอาจจะโกรธเราเขาอาจจะพูดคําพูดที่ไม่ดีกับเราก็ได้เราต้องรับได้ทั้งสองคําพูดทั้งคําพูดที่ดีและคําพูดที่ไม่ดี รับได้ด้วยวิธีวางเฉยด้วยโอเบคาเมื่พอพระอาจารย์อธิบายอันนี้มาค่ะมันเคยมีสภาวะที่เกิดขึ้นกับเอิงค่ะคือคนที่เราเคยแบบว่ายึดกับเขาอะค่ะแล้ววันหนึ่งเขาพูดไม่ดีกับเราด้วยความโกรธอย่างเงี้ยค่ะเราปรากฏว่าหลังจากที่เราเจอสภาวะที่ความคิดดับอัตโนมัติแล้วอะค่ะพอเขาพูดคาพูดไม่ดีมาอย่างเงี้ยค่ะเหมือน ความรู้สึกของเออมันแยกออกไปว่ากายอ่ะเห็นเขากําลังแบบพูดมาค่ะแต่ใจอ่ะมันนิ่งหมายความว่าความรู้สึกนี้หรือเปล่าคะที่เอองจะต้องทำแบบนั้นไปตลอดใ ห, ให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนใครมาเอาเงินให้เราก็ไม่ต้องดีใจใครเอาเงินไปก็ไม่ต้องเสียใจค่ะนั้นก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ เอาคำถามสุดท้ายนะเวลาใกล้จะหมดละคำถามจากคุณพนิดาเจ้าค่ะโยมทดลองทานอาหารจากสองมื้อให้เหลือหนึ่งมือ้อและการนอนให้เหลือวันละสีถึงห้าชั่วโมงเพื่อให้เวลากับการปฏิบัติมากขึ้นแต่บางวันก็กังวลว่าจะไม่เป็นผลดีกับร่างกายกลาบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะไม่ต้องกลัวหรอกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติแบบนี้มา พระพุทธเจ้าไม่ได้มีปัญหากับเรื่องการรับประทานอาหารรับประทานแค่นี้ครูบาอาจารย์ทุกรูปก็เหมือนกันท่านก็ฉันมื้อเดียวไม่มีปัญหาเรื่องฉันมื้อเดียวนี่แต่มีประโยชน์เพราะจะทําให้ไม่มีความง่วงเหงาเหงานอนเวลานั่งสมาธิเวลาปฏิบัติธรรมเราจะทําให้เรามีเวลากับการปฏิบัติได้มากขึ้นยังไม่ต้องกังวลนีถ้าฉันมือนม้อเดียวกินมื้อเดียวแล้วก็นอนแค่สีห้าชั่วโมงนี้พอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย